ออกมาเพ่นพาด น, นะเจอนกมันก็ไม่หนีนะนกก็กินมันแล้วปรสิตก็จะไปโตในท้องนกนะแล้วก็เติบโตเต็มวัยแล้วก็ออกมาทางขี้นกเนี่นะยเดี๋ยวนี้ก็เพราะว่ามันมีกลอนบายนี้เนี่ยนะที่สัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยมันฉลาดมากนะดูมันมันไม่มีอะไรนะแต่มันสามารถจะ บงการสัตว์นิอื่นทึ่มตัวใหญ่กว่านี้ให้ให้ทาหน้าที่เป็นองครักพิทักษมันบ้างจนตัวตายหรือมิฉะนั้นก็มีพฤติการที่สุ่มเสี่ยงบ้าระหัมนะจนกระทั่งหมดสภาพไปฉะนี้คนเราเนี่ยน ะ, ะโชคดีก็ได้นะหรืออย่างน้อยตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู่นะที่เราไม่พบว่ามันมีพวกปริสิทธหรื อ, อ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 แล้วพอเครียดหนักเครียดหนักนะก็กินมากขึ้นมากขึ้นเนาะอยู่ในอำนาจของผีสุราคราวนี้อาจจะทั้งวันเลยก็ได้นะแต่ก่อนอาจจะเป็นบางช่วงของวันแต่คราวนี้หนักเลยนะชีวิตก็ย่ำแยนะ่สุขภาพก็เสื่อมโทรมนะแถมเนี่ยอยู่ในอำนาจของผีสุรานี่นะจนกระทั่งงอหัวไม่ขึ้นเลยแล้วพอพอเออะนะ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 จะเป็นการต่อว่าจะเป็นการตําหนิตีตเตียนผู้อื่นหรือว่าสร้างปัญหาแก่ใครเนี่ยก็จะยิ่งเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร่าที่ทําให้โกรธมากขึ้นนะเพราะพอทํำไม่ดคนะีคนอื่นนะคนหนึ่งเขาก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์นะพอตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์เขาตอว่าหรือเขาตอบโตกลับมาก็โกรธนะให้ความโกรธมันยิ่งฝังใจมากขึ้น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 เออถ้าแม่เออถ้าลูกเนี่ยมาขอเพชรขอพลอยขอที่ดินจากแม่นี่เออนะก็น่าจะโกรธลูกนะเพราะว่ามันเป็นของมีค่าแต่ความโกรธมันไม่ใช่เป็นสิ่งมีค่าอะไรเลยแต่ว่าทำไมถึงหวงแหนหนักนะทำไมถึงต้องต่อว่าลูกนะเพราะความโกรธเนี่ยมันสั่งให้อาม่าเนี่ยเป็นองค์คลักพิทักษตัวมันไปนละก็เลยไล่ตะเพิดลูกสาวเนี่ย ความเศร้าก็เหมือนกันนะตัวเศร้าเนี่ยพอมันครองใจนะมันก็จะบงการให้เราเนี่ยจมจมนะอยู่กับความเศร้าใครจะมาชวนไปไหนชวนไปเที่ยวนะไม่พอใจเขานะนะนะความเศร้านี่มันจะสางให้เราเนี่ยไล่ตะเพิดคนเหล่านั้นไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันะจนจะขอนั่งเจ้าจุกอยู่ตรงนี้แหละอันนี้เรากลายเป็นองค์ขลักพิทักความเศร้าไปซะละ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 หมอก็ไม่สนใจไม่สนใจก็ซึมต่อไปแต่พอเด็กร้องนะก็ปล่อยให้ร้องต่อไปนานก็ลำคานก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นออเด็กฉี่นะก็เปลี่ยนผ้าอ้ อ, อมเปลี่ยนเสร็จเด็กสพักสักชั่วโมงเด็กก็ร้องอีกเลยลุกขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นออเด็กไม่สบายก็ให้ยาไปพอเลิกงานนะห้าโมงเย็นก็เอาเด็กไปคืนที่ ward กลับบ้าน วอร์ุ่นขึ้นมานี่บอกกว่าประโยคแรกที่หมอถามก็คือเด็กคนนั้นเป็นอย่างไรแล้วสนใจแล้วคราวนี้แล้วก็เข้าไปที่วอร์เด็กแล้วก็ดูแลเด็กคนนั้นแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นๆต่อไป ท, อทีละน้อยทีละน้อยความเศร้าโศกก็หายไปคือความเศร้าโศกเนี่ยในเรือตัวเศร้าเนี่ยมันรู้นะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะออกไปทํำนั่นทานี่เนี่ย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 ในเรื่องใดก็ดีเนี่ยนะเราก็จะไปขุดคุยไอความไม่ดีของเขานะอาจจะถอยหลังก็ไป10ปีที่แล้วหรืออาจจะถอยหลังถึง2 0ปีที่แล้วทั้งที่เขามีความดีมากมายเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลเรามากมายแต่เราก็จะใจเราก็จะไปขุดคุยแต่ไอความไม่ดีของเขาเพื่อมาตอกย้ำหรือเพิ่มพูนนะความโกรัวให้มากขึ้น ตัวโกรธมันจะได้มีอิทธิพลคลองจิตคลองจาจเราได้นานๆแล้วก็แน่นหนามากขึ้นเในเวลาเราโศกเศร้าเสียใจเนะี่ยมันเราก็จะความเศร้าเนี่ยมันสั่งให้เราไปจมอยู่ออกับความเศร้าหรือไปขุดคุยเรื่องเศร้าๆนะที่ทําให้เราสึกแย่กับตัวเองบัางทํำให้สุดน้อยเนื้อต่าใจในใชะตากรรมของตัวเองบ้างว่าทําไมฉันเคราร้ายแบบนี้นะหรือว่าทําไมฉันแย่แบบนี้ทําไมฉัน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 ถ้าใจเราไปเห็นมันเมื่อไรเนี่ยนะมันจะอ่อนโยบยาบมันจะเรียกว่าเลือนหายไปเลยจุดอ่อนไม่อยู่ตรงนั้นนะถึงแม้ว่ามันจะเก่งมีอุบายมากมายนะจุดอ่อนอยู่ตรงนี้งั้นถ้าเราเนี่ยนะเมื่อรู้ว่าจิตใจกําลังทุกข์ชีวิตกําลังย่าแย่หรือว่ากําลังเผลอทําในสิ่งที่มันเป็นอันตรายต่อตัวเองนะเช่น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 อาจอเนี่ยนะเอาจอเนี่ ย, ยปิดเอาไว้นะแล้วก็ปิดเสียงด้วยอี ก, กลุ่มนึงเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปไว้อีกห้องนึงเลยนะคือไม่ต้องเห็นแหลเะเขาบอกว่ากลุ่มแรกเนี่ยที่มีโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะเนี่ยแล้มองเห็นแม้ทั้งทั้ ท, ที่ปิดจอหรือว่ า, าปิดเสียงเนี่ยปรากฏว่าทําโจทย์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 คนเราถูกลบกวนประมาณทุก8นาทีนะเมื่อสมัยก่อนคือ10ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันทุก3นาทีและนึกไม่ออกเลยนะว่าถ้า3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะลบกวนเราเนี่ยอาจจะทุกนาทีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคนสมัยนี้สติเนี่ยแย่มากนีไม่สามารถที่จะมีสติอยู่กับอะไรได้นานๆไม่สามารถจะมีสติอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ข้างหน้านได้ต่อเนื่อง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 รลยวเวลาในการจดจองคนเราเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยมันสั้นมาก10ปีก่อนประมาณ12วินาทีเ ด, เดี๋ยวนี้ประมาณ8วินาทีแค่ น, นั้นแหละเขาว่ามันสั้นกว่าป่าทองอีกนะปาทองเนี่ ย, ยความสนใจในประมาณ9วินาทีนะแล้วก็ไปสนใจอย่างอื่นแต่คนเราเนี่ยลดเหลือ8วินาทีนะมันน้อยกว่าป่าทองอีกนะมันแย่แล้วนะเนี่ยแล้วถ้าเราปล่อยให้เราเนี่ยนะ